พรงทรงลงโทษพวกเขาทั้งหมดโดยปราศจากข้อยกเว้นองค์การต่างๆได้กล่าวถึงหมู่ชนของอาสมุดและหมู่ชนของลูดและหมู่ชนของฟิรอาอ์และหมู่ชนอื่นๆซึ่งเป็นผู้ละเมิดยักโสโอหังอย่างละเอียดพร้อมกับว่าภาพไปเห็นถึงการลงโทษในรูปแบบต่างๆกันหลังจากที่ได้เผยเห็นถึงภาพลักษณ์อันเจ็บปวดคือภาพลักษณ์แห่งการลงโทษ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 หลังจากได้กล่าวถึงชะตากรรมของบรรดาผู้ที่มีความทุกข์บรรดาอาจยากรตามรูปแบบของอลัลกรุรอานในการรวมระหวา่างการเรียกร้องเชิญชวนให้กระทำความดีและการขู่สำทักในการกระทำความชั่วด้วยสำนวนของอลัลกุรอานที่น่าประทับใจยิ่ง โดยพระนามขอลอผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอวันกิยามาได้ใกล้เข้ามาแล้วและดวงจันทร์ได้แยกออกแล้วและหากพวกเขาเห็นสัญญาณปาฏิหาริพวกเขาก็ผินหลังให้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 เป็นคนบ้าและถูกผู่บังคั บ, บ, บเขาจึงวิงวรขอต่อพระผู้อภิบาลของเขาว่าแท้จริงฉันถูกพิชิตเสียแล้วได้โปรดช่วยเหลือฉันด้ว ย, ย, ยดังนั้นเราจึงได้เปิดประตูแห่งชั้นฟ้า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 และเราได้บรรทุกเขาไว้บนเรือที่ทำด้วยไม้แผ่นกระดาษและก็ตอกกิดด้วยตะปูมันเรือได้แล่นออกไปต่อหน้าเราภายใต้การชุมคองของเราเป็นการตอบแทนแกู่้ที่ถูกปฏิเมัรลองของเราเป็นการตอบแทนแก่ผู้ที่ถูกปฏิเสธ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 การลงโทษของข้าและการตักเตือนของข้าเป็นเช่นไดบ้างและโดยแน่นอนเราได้ทำให้อัลกุรานเป็นที่เข้าใจง่ายแต่การดำลึกแล้วมีผู้ใดบ้างรับข้อตักเตือนนั้นพวกสมุตได้ปฏิเสธพูดตักเตือนผู้ใดบ้างมี่นะเชื่อในตักเตือน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 พนีพเขาจรู้าเป็นคนพูดเท็จไร้รมันญาติกันแนะ่พรุ่งนี้พวกเขาก็จะรู้ว่าใครเป็นคนพูดเท็จไร้รมันญาติกันนะแน่แพจิเราส่งอูดตัวเมียตัวหนึง่งมาเพื่อเป็นการทดสอบแก่พวกเขา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 ได้จั บ, บัน่่าาาดด้วยอยองา น, งนั้นการลงโทษของข้าและการตักเตือนของข้าเป็นเช่นใดบ้างแท้จริงเราได้ส่งเสียงกำ บ, บันาลเพียงครั้งเดียวลงบนพวกเขา และพวกเขาก็กลายเป็นเช่นเศษไม้แห้งๆ แ, และโดยแน่นอนเราได้ทำให้อลัลกุรอานเป็นที่เข้าใจง่ายแต่การดำานึกและมีผู้ใดบ้างที่รับข้อตักเตือนนั้นลกลุ่มชนของลูตได้ปฏิเสธต่อการตักเตือนอินนาอรลนาอล พัดย์ขงเราได้ส่งพายุหินจากท้องฟ้าลงบนพวกเขานอกจากวงวานของลูธเราได้ช่วยพวกเขารอดทนในยามรุ่งสางเป็นความโปรดปรานจากเรา เช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่ผู้กระตันดูและโดยแน่นอนเขาลูดได้ตักเตือนพวกเขาถึงการลงโทษของเราแต่พวกเขาได้โต้แย้งข้อตักเตือนของเรา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 ฉะนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษของข้าและการตัดเตือนเธอแต่โดยแน่นอนเราได้ทำให้อัลกุรอานเป็นที่เข้าใจง่ายแก่การดำลึกและมีผู้ใดบ้างรับข้อตัดเตือน น, ออนั้น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 ผู้ยำเกลงนั้นอยู่ในสวนสวรรค์อันหลากหลายและมีแม่น้ำหลายสายในสถานที่อันทรงเกียรติหน้าที่พระเจ้าผู้ทรงเดชาลุภาพ